2. รูปประธาต์ธาตุในรูปประภูมิ1นึน่ในขณะเกิดในรูปประธาต์ขันเท่าไราปรากฏจิตเท่าไราปรากฏในขณะเกิดในรูปประธาต์ขันห้าอายตนะห้าธาตุห้สัจหนึ่งสเหตุ3อาหารสาผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งปรากฏแก่เทวดาเว้นอสัญญสัตตพรม 1นึ่ในขณะเกิดในอรูปประทัดขันห้าเหล่าไหนปรากฏขันห้าคือ1รูปประขันสองเวทนาขันสามสัญญาขันสี่สังขารขันห้าวิญญาณขันในขณะเกิดในรูปประทัดขันห้าเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประทัดอายตนะหเหล่าไหนปรากฏอายตนะหคือ1จักขายตนะสองปรูปลายตนะ 3โสตายตนะสมนายตนะหธรรมายตนะในขณะเกิดในรูปประธาต์อายตนะห้าเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประธาต์ธาตุห้าเหล่าไหนปรากฏธาตุหาเหล่านี้คือหนึ่งจักขุธาตุสองรูปปาาระธาตุสโสตธาตุสีมโนวิญ ญ, ญ, ญาณธ า, าตุและหธรรมธาตุในขณะเกิดในรูปประธาต์ธาตุห้าเหล่านี้ปรากฏ ในขณะเกิดในรูปประธาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกข์สัต์ในขณะเกิดในรูปประธาตุสัจจะหนึ่งข้อนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประธาตุอินทรีสิบเหล่าไหนาปรากฏอินทรีสิบเหล่านี้คือ 1. จักขุณ4 2. โสตินรี่สามมณีนรียส 4, 4, ชีวิตินรียหโสมนัตสินรี่ หร อ, อุเปกินสี6สั ต, สตสถินสีเจวิริยินสีแปสตินสีเกสมาธินสีและ10ปัญญินสีในขณะเกิดในรูปธาตุอินทรีสิบเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปธาตุเหตสามเหล่าไหนปรากฏเหตสามคือวิปากเหตุคืออโลภะวิปากเหตุคืออะโทสะและวิปากเหตุคืออโมหะ ในขณะเกิดในรูปประธาติเหตุสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประธาติอาหารสาม <3 S 2> เหล่าไหนปรากฏอาหาร3มคือหนึ่งผัสสะหารสองมโนสัญเจตนาหารสว <3 S 2> ิญญาณาหารในขณะเกิดในรูปประธาติอาหารสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประธาติผัสสะหนึ่งอย่างไหนปรากฏภัสสะหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุสัมผัส ในขณะเกิดในรูปประาธาต์ภาษาหนึ่งนี้ปรากฏในขณะเกิดในรูปประาธาต์เวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏจิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุในขณะที่เกิดในรูปประาธาต์จิตหนึ่งนี้ปรากฏ 3. อสัญญาสัตว์สัตว์ที่ไม่มีสัญญา ห0 1 7ในขณะเกิดขันเท่าไราปรากฏจิตเท่าไราปรากฏแก่อสัญญาสัตปพรมในขณะเกิดขันหนึ่งคือรูปขันอายตนะสองคือรูปายตนะและธรรมายตนะธาตุสคือรูปธาตุและธรรมธาตุสัจจะหนึ่งคือทุกขสัจอินทรีหนึ่งคือรูปอินทีวิตินทรีย ปรากฏแก่อสัญญสัตพรลมอสัญญสตัตพรลมไม่มีเหตุไม่มีอาหารไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีเจตนาไม่มีจิตปรากฏ 4. อรูปธาตุธาตุในอรูปภูมิ1นึในขณะเกิดในอรูปธาตุขันเท่าไรปรากฏจิตเท่าไรปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุ ขันสอายตนะสองธาตุสองสัจจะหนึ่งอินทรี8เหตุ3อาหารสผัสสะหนึ่งเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งปรากฏ 1.019 ในขณะเกิดในอรูปประธาตุขันสเราไหนปรากฏขัน4คือ 1. เวทนาขัน 2. สัญญาขัน 3. สังขารขัน สี่วิญญาณขันในขณะเกิดในอรูปประธาตขันธ์สี่เหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปประธาต์อายตนะสองเหล่าไหนปรากฏอายตนะสองคือมนาอยตนะและธรมมายตนะในขณะเกิดในอรูปประธาต์อายตนะสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปประธาต์ธาตุสองเหล่าไหนปรากฏ ธาตุสองคือ ม, โ, มโนวิญญาณธาตุและธรรมธาตุในขณะเกิดในอรูปธปาตุธาตุสองเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธปาตุสัจจะหนึ่งข้อไหนปรากฏสัจจะหนึ่งข้อนี้คือทุกขสัจในขณะเกิดในอรูปธาตุสัจจะหนึ่งข้อ น, นี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุอินทรียปดเหล่าไหนปรากฏ อินทรีแปดคือหนึ่งมนินทรีสองชีวิตอินทรีสามอุเปกขินทรีสีสัตทินทรีห้าวิริยินทรีหกสัตตินทรีเจ็ดสมาธินทรีแปดปัญญินทรีในขณะเกิดในอรูปธาตุอินทรีแปดเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุเหตุสามเหล่าไหนปรากฏ เหตุสคือวิปากเหตุคืออโลภะวิปากเหตุคื อ, อโทสะและวิปากเหตุคือโมหะในขณะเกิดในอรูปธปาตุเหตุ3มเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธปาตุอาหาร3ามเหล่าไหนาปรากฏอาหาร3คือหนึ่งผัสสาหาร2มโนสัญเจตนาหาร 3. วิญญาณาหาร ในขณะเกิดในอรูปธปาตุอาหารสามเหล่านี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุภาษาหนึ่งอย่างไหนปรากฏภาษาหนึ่งคือมโนวิญญาณธ า, าตุสัมผัสในขณะเกิดในอรูปธา ต, ตุภาษาหนึ่งนี้ปรากฏในขณะเกิดในอรูปธาตุเวทนาหนึ่งสัญญาหนึ่งเจตนาหนึ่งจิตหนึ่งอย่างไหนปรากฏ จิตหนึ่งคือมโนวิญญาณธาตุในขณะเกิดในอรูปประธาตจิตหนึ่งนี้ปรากฏ 5. ภูมัตรัฐทศนาวานวาระว่า้วยการแสดงระหว่างภูมิ1 0ึ่สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรสภาวธร ร, ร, ร, ร, ร, ร, รรมที่ไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจร สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตตทุกสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกสภาวธรรมที่เป็นการาวจรเป็นฉไหนขันธ์ท่าอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้ที่นับเนื่องในภูมินี้ ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกำหนดเอาเอเวจีนรกเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเหล่าเทวดาชั้นปรนิมิ ต, ตะวะสวตีเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นฉไหนะสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรที่เป็นอะรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นฉไหนะสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในรูปภปูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกําหนดเอาพรหมโรคเป็นที่สุด ชั้นพรมมปาลิสัตชาเบื้องบนกำหนดเอาพรมชั้นอากนิธภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นบรูปาวจรเป็นชนะั้นสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นอรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นบรูปาวจร สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นฉไนสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นฉไนสภาวธรรมคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าสมาบัติผู้เกิดในอรู ป, ปรภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภูมินี้นับเนื่องในภูมินี้ในระหว่างนี้คือเบื้องล่างกาหนดเอาพรหมผู้เข้าถึงชั้น อากาศสาณจายตนะพเป็นที่สุดเบื้องบนกำหนดเอาเราพรหมผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญาณาสัญญายตนะพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นฉะไหนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรที่เป็นรูปาวจรที่ไม่นับเนื่องในวัตถุ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตถุกเป็นไฉไรสภาวธรรมคือกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรสภาวธรรมที่เป็นอะรูปาวจรได้แก่รูปขันธ เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและบิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัตทุกข์สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นไนะมักผลแห่งมักธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหมายถึงนิพพานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ 6. อุปาทะกะกรรมะอายุปมาณวานวาระว่าด้วยกรรมเป็นเหตุให้เกิดแดะประมาณอายุของสัตว์ 1. อุปาทะกะกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิด 1.021 ที่ชื่อว่าเทวดาได้แก่เทวดาสามจำพวกคือ 1. ส ม, มุติเทวดา เทวดาโดยสมมุติ 2. อ, อุปัติเทวดาเทวดาโดยอุบัติสวิสุธทธิเทวดาเทวดาโดยความบริสุทธิ์พระราชาพระราชเทวีพระราชากุมารเรียกว่าสมมุตเิเทวดาเทวดาเบื้องบนนับแต่เทวดาชั้นจาตูมหาราชขึ้นไปเรียกว่า อุปติเทวดาพระอระหันต์ทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิเทวดาพวกมนุษย์ผู้ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วไปเกิดที่ไหนพวกมนุษย์ให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของพระมหาศาล บางพวกไปเกิดเป็นสหายของกฤหะบดีมหาสาลบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชันจาตุมหาราบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชันดาวดึงบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชันยามาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชันดุษสิทธบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชันนิมมานรดี บางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปรมนิมมิตตวัสวัตตี 2. อายุประมาณนะประมาณอายุหนึ่อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณ100ปีต่ำกว่านั้นบ้างเกินกว่านั้นบ้างก็มีหนึ่อายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราช มีประมาณเท่าไรห้าปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชัานจาตุมหาห ร, ราราช30รปาฏีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2องเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี5 0ารปีที่โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชันจาตุมหารา นับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณเก้าล้านปีอายุของเทวดาชันดาวดึงมีประมาณเท่าไรหร่1ร้อยปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งของเทวดาชันดาวดึงส0ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12สองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี หนึ่งพันปีทิ่โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณสามโกดหกล้านปีอายุของเทวดาชั้นยามามีประมาณเท่าไรสองร้ปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นยามา30 ม, า ม, ามราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน สิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสองพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชันยามานับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณ14โกดสีล้านปีอายุของเทวดาชั้นดุสิตมีประมาณเท่าไรสี่ร้อยปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิต 30ราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือนส2องเดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปีสี่พันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณ57โกด6ล้านปีอายุของเทวดาชั้นนิมมานารดนีมีประมาณเท่าไร่ แปดร้อยปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคือหนึงของเทวดาชั้นนิมมานรารีสามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็น1่เดือนสิบเดือนโดยเดือนนั้นเป็น1่ปี800นปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมานารรีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไรมีประมาณ230โกดสล้านปี อายุของเทวดาชั้นปรมาณิมมิตวัสวัสตตีมีประมาณเท่าไรหนึ่งพันปีของมนุษย์นับเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นปรมานิมมะมิตวัสวัตตี30มราตรีโดยราตรีนั้นเป็นหนึ่งเดือน12เดือนโดยเดือนนั้นเป็นหนึ่งปี1600งปี เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรมามนิมิตะวัสวัตตีนับอย่างปีมนุษย์มีประมาณเท่าไหรมีประมาณ9ก้เโกดหล้านปีเทวดาชั้นกามาวาจรสวรรค์6ชั้นเพียบพร้อมด้วยกามคุณทุกอย่างอายุของเทวดาชั้นกามาวาจรสวรรค์หกชั้น น, นับรวมกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ เป็น 1,228 โกดห้าล้านปีโดยนับอย่างปีของมนุษย์ 1,024 บุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญปฐมฌานได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้น พ, พรหมปาริสัทชาอายุของเทวดาเหล่านี้มีประมาณเท่าไหร่ มีประมาณเท่า ส, ส่วนที่สามแห่งกับบุคคลเจริญปฐมชาญได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั <t art of word> ้นพรหมปุโรหิตาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณกึ่งกับบุคคลเจริญปฐ <th> <voir> มชาญได้อย่างประณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญปฐมชาญได้อย่างประณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดา ชั้นมหาพรหมอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไรมีประมาณหนึ่งกับ 1,025 บุคคลเจริญทุติยะชาญได้อย่างสามัญไปเกิดที่ไหนบุคคลผู้เจริญทุติยะชาญได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตาภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไรมีประมาณสองกับ บุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างกลางแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอัปปมานาภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณสี่กับบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างประณีตไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญทุติยฌานได้อย่างประนีตแล้ว ไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอาภัสราอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไรมีประมาณแปดกับหนึงพันบบุคคลเจริญตัติยชาญได้อย่างสามัญไปเก ouais. ิดที่ไหนบุคคลเจริญตัติยชาญได้อย่างสามัญแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นปริตตสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่ มีประมาณสิบหกับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดที่ไหนบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างกลางไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอัปปามานสุภาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ32กับบุคคลเจริญตติยฌานได้อย่างปราณีตไปเกิดที่ไหน บุคคลเจริญตติยชฌานได้อย่างประณีตแล้วไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุภกินหาอายุของเทวดาเหล่านั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ64สิบสีกับหนับบุคคลเจริญจะตุตทชฌานแล้วบางพวกไปเกิดเป็นสหายของอสัญญาสัตเทวดา บางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นเวหปปัพาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอวิหาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอตตป่าบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทธัสสาบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นสุทธสีบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาชั้นอการิฐา บางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพบางพวกไปเกิดเป็นสหายของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพ เพราะมีอารมณ์ต่างกันเพราะมีมนสิการต่างกันเพราะมีฉันทะต่างกันเพราะมีปณิธานต่างกันเพราะมีอธิโมกต่างกันเพราะมีอภินิหารต่างกันเพราะมีปัญญาต่างกันอายุของอสัญญสัตเทวดาและเทวดาชั้นเวหับปรับภารณะนั้นมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณห้าอกับ อายุของเทวดาชั้นอวิหามีประมาณาเท่าไรมีประมาณหนึ่งพันกับอายุของเทวดาชั้นอตาปามีประมาณเท่าไรมีประมาณสองพันกับอายุของเทวดาชั้นสุดทัศนามีประมาณเท่าไรมีประมาณ4 0 0พันกับอายุของเทวดาชั้นสุดทัศศีมีประมาณเท่าไรมีประมาณ 8,000 ันกับ อายุของเทวดาชั้นอากนิธฐามีประมาณเท่าไรมีประมาณหนึ่งกับหนึ่อายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนาภพมีประมาณเท่าไรมีประมาณสอง0 0ื่กับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนาภพมีประมาณเท่าไหร่ มีประมาณสี่หมืกับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณหกหมืกับอายุของเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีประมาณเท่าไหร่มีประมาณ8ปดหมันกับหนึ่เราสัตว ผู้อันอำนาจแทงบุญส่งเสริมแล้วไปสู่กามภพและรูปประพบหรือไปถึงภวัคคพรมบ้างแต่ยังกลับไปสู่ทุกขติภูมิได้อีกเราสัตว์ที่มีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุดติได้เพราะหมดอายุไม่ว่าพบไหนๆที่ชื่อว่าเที่ยงไม่มีพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้แล้วอย่างนี้ เพราะฉะนั้นแลเรานักปราดผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบคอบคำหนึ่งถึงความจริงข้อนี้จึงเจริญมรรคอันสูงสุดเพื่อพ้นจากชารามรณะครั้นเจริญมรรคที่บริสุทธิ์สะอาดซึ่งมีปกติยังสัตย์ให้อย่างถึงนิพพานแล้วจึงเป็นผู้ปราศจากอาสวะปรินิพพานเพราะกำหนด รู้อาสวะทั้งปวงชนีแหล 7. เจอภินเยียาที่หวานวาระว่าด้วยธรรมที่พึงรู้ยิ่งเป็นต้น 1.030 ั10บรรดาขันหาขันเท่าไรพึงรู้ยิง่งเท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้งบรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรพึงรู้ยิง่ง เท่าไรพึงกำหนดรู้เท่าไรพึงละเท่าไรพึงเจริญเท่าไรพึงทำให้แจ้งเท่าไรไม่พึงละเท่าไรไม่พึงเจริญเท่าไรไม่พึงทำให้แจ้ง1นึ1งรูปขันพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งขันสพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้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 สมุทรย์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งมัคคสัต์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละพึงเจริญแต่ไม่พึงทำให้แจ้งนิโรธัตท์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญแต่พึงทำให้แจ้งทุกขศัต์พึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้ที่พึงละ แต่ไม่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทำให้แจ้งและไม่พึงละก็มีอินสีก้าพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งโทมานัสินสีพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่ทำให้แจ้งอนัญญาตันยัตสามีตินสีพึงรู้ยิ่ง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 พึงรู้ยิ่งพึงกาหนดรู้พึงละแต่ไม่พึงเจริญไม่พึงทำให้แจ้งกุตรเหตุสาพึงรู้ยิ่งพึงกาหนดรู้ไม่พึงละที่พึงเจริญก็มีที่ไม่พึงทาให้แจ้งและไม่พึงให้เจริญก็มีอัพยากะตะเหตุสามพึงรู้ยิ่งพึงกำหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญ ที่พึงทําให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงทําให้แจ้งก็มีกบาลิงการอาหารพึงรู้หยิ่งพึงกําหนดรู้แต่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทําให้แจ้งอาหารสพึงรู้หยิ่งพึงกําหนดรู้ที่พึงละก็มีที่พึงเจริญก็มีที่พึงทําให้แจ้งก็มีที่ไม่พึงละไม่พึงเจริญไม่พึงทําให้แจ้งก็มี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 สารมมนานารมมณาวานวาระวัด้วยธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้และไม่ได้หนึ่บรรดาขันห้าขันเท่าไรรับรู้อารมณ์ได้เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้บรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรรับรู้อารมณ์ได้เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้หนึ่รูปประขัน รับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันธ์สรับรู้อารมณ์ได้อายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้มานายตนะรับรู้อารมณ์ได้ธรรมายตนะที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุสิรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุเรับรู้อารมณ์ได้ธรรมธาต ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อ wow ารมณ์ไม่ได้ก็มีสัจจะสองรับรู้อารมณ์ได้นิโรธสัจต์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทุกขสัต์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก <UK> ็มีอินทรีเจ็รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีสิบสรับรู้อารมณ์ได้ชีวิตินทรี ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีเหตุ9รับรู้อารมณ์ได้กวลิงการาหารรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาหารสามรับรู้อารมณ์ได้พัสสะเจเวทนาเจตสัญญาเจตเจตนาเจตและจิตเจตรับรู้อารมณ์ได้1034 บรรดาขันหขันเท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอามณรมเท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์เท่าไรที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้บรรดาจิตเจ็จิตเท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์เท่าไรมีธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์เท่าไรรับรู้อารมณ์ไม่ได้ หนึ่รูปขันรับรู้อารมณ์ไม่ได้ขันสี่ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีอายตนะสิบรับรู้อารมณ์ไม่ได้มนายตนะที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มี ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีธรรมายตนะมีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีธาตุสิรับรู้อารมณ์ไม่ได้ธาตุหมีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์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 รับรู้อารมณ์ไม่ได้มักคสัตต์มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอามณมสมุทัยสัตต์ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอามณมก็มีทุกขสัตต์ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มี ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีอินทรีย์7รับรู้อารมณ์ไม่ได้อินทรีย์ามีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์อินทรีย์9ที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มี มีสภาวธรรม ท, ที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีชีวิตินทร์สี่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีมีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีเหตุ9มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่ รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีกัวลิงการอาหารรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาหารสที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้เป็นอารมณ์ก็มีที่มีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์ก็มีหัตสหกมีสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นอารมณ์มโนวิญญาณธาตุสัมผัส